ะะปเป็นสาธิตทุกรูปและกระเดินพรจะโยมทุกคนให้ตั้งใจตั้งใจฟัง <c oughs> นั่งลงสบายสบายขยายเข็นหน้าหาช่องเอาทาใหนมันสูงเกิด ฟังให้ดีนะแล้ววันนี้เป็นดังวันที่เราได้ฝึกกันมาหลายวันแล้วมากบางน้อยบ้างบางคนก็เพิ่งมาบางคนก็จะกลับแลนะใหนะ้รู้เป็นไงนะชีวิตของการภาวนาเนี่ทําไมมันจังมีโอกาสน้อยนะนชีวิตทางโลกนี่ทําไมเราฝนก่อยมาป่านนี้เรายังละกันไม่ได้อีกอายุกันก็ เยอะแล้วก็ยังห่วงไม่รู้ห่วงอะไรกันนักกันหนานะในจะละมันสักเจ็ดวันนี่มันจะเป็นละยากละเย็นแท้ทั้งที่ว่าผลสุดท้ายพวกเราก็ต้องละมันทิ้งอยู่ทีแท้ต้องละมันไปแต่ด้วยจิตที่มันมีความผูกพันมีตัณหาเป็นเจ้าเรือนอยู่เรื่อยๆเนี่ย ตั้หาอุปทานเป็นเจ้าเรือนยีเรื่อยเลยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยสักทีที่บ้านมาก็เป็นบ้านนั่นแหละสมบัติก็เป็นสมบัตินั่นแหละแม่ก็อยู่นั่นละนาก็อยู่นั่นสวนก็อยู่นั่นแต่ทำไมอยู่นี่เราจึางห่วงนักพวงนาเนี่ยเพราะจิตที่เราไม่ได้ฝึกเนี่ยอายุเราก็เยอะเยอะกันแล้วนะแต่จิตที่เราไม่ได้ฝึกดีแค่จิตที่ไม่ได้ฝึกเบื่ตีแล้วเนี่ยต้องก็นําทุกมาให้ และจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําสุขมาให้ทั้งที่เราก็แสวงหาความสุขกันงั้นวันนี้จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกันว่าให้เราเห็นว่าที่เราฝึกเนี่ยสิ่งที่เราฝึกตรงเนี้ยเรียกฝึกฝึกตัวรู้เนี่ยนะไม่มีความมันพาเราไปพาเราไปเข้าใจได้อย่างไรแค่การฝึกตรงนี้ตัวเดียวเนี่ยนะ เพราะมันไม่มีการฝึกอยู่อยู่สองส่วนก่อนเดี๋ยวจะพูดตรงนี้พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านฝึกมาก่อนทีแรกสังเกตไหมพรุทเจ้าที่เราอ่านในพุทธประวัติท่านฝึกมาก่อนนท่านฝึกอะไรฝึกทางกายท่านฝึกยังไงประเด็นแรกที่ท่านอยู่เป็นสมัยเป็นเจ้าชายเนี่ยท่านก็ฝึกในทางที่เป็นลาว กามาสุ ข, ขันธิการนิโยคือเสวยแต่ความสุขทั้งมากมายเนะี่ยเราคิดดูนะขนาดพระพุทธเจ้าทั้งเสวยความสุขในระดับที่พวกเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้แต่พระตัวองทรงสัมผัสได้หมดเลยจะเอาอะไรได้หมดเพราะท่านพระพุทธองค์เป็นเจ้าของแผ่นดินอย่างบทสุดท้ายสังเกตไหมท่านกหลังนะหันหลังให้ แต่พวกเราเนี่ยมีสมบัติอันน้อยนิดไม่เท่ากับขี้เล็บท่าน ท, ทําไมถึงไม่หันหลังให้กันสักทีเห็นไหมพระตัวองค์ทรงมีความสุขในพระราชาวังประสาทสามรมดูเนี่ยนี่คือความสุขเปื้องแรกที่พระองค์แสวงหาคือความสุขทางกายแต่พอต่อมาปุ๊บเป็นยังไงพอพระองค์ทรงหันหลังให้ที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ความสุข ที่แท้จริงคนน้อยคนที่จะคิดได้อย่างเนี้ยนะที่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเน่ะเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเลยเนเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่ความสุขจริงๆสักอย่างหนึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์นไม่พ้นไปจากเกิดไม่พ้นไปจากแก่จากเจ็บจากตายจากพัาดพลาดจากสูญเสียได้เลยพวกเราวันน่าจะมีวิธี ทิ the ้งหันหลังให้นั้นพวกเราหันหลังให้มันได้ยังที่หันหลังให้พระพุทธเจ้าหันหลังให้พระเจ้าวิ่งไปเอาอย่างที่พระเจ้าท่านหันหลังให้หรือเปล่าเนี่ยต้องตรวจสองพวกเราวิ่งหันหลังให้พระพุทธเจ้าแล้ววิ่งไปเอาอย่างที่พระเจ้าหันหลังให้ท่านหันหลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยนี่คือการฝึกบ่วงตนพอเราหันหลังให้ปุ๊บต้องก็ฝึกอีกอย่างหนึ่งสังเกตไหม ท่านฝึกอีกอย่างหนึ่งคือต้องกันข้ามเลยทีนี้ทรามานมันสุดๆในร่างกายเนี่ยทรามานจนเราเห็นไหมปางที่พระเจ้าท่านเนเกือบจะไปนิพพานเกือบจะตายเกือบจะสวรรคตตอนยังยังไม่ได้เป็นพพุทธเจ้าแต่ยังฝึกอยู่อดข้าวอดน้ําคิดว่าไอ้นี่แหละมันเป็นเรื่องของมันทรามานมันให้เต็มที่สุดๆเลยสังเกตพวกเราเนี่ย เขให้มาอดอยู่แค่นี้เป็นยังไงให้แค่เดินชมโคมสร้างจาังหวะข้าวก็ไม่ได้อดเป็นยังไงน้ําก็ไม่ได้อดเป็นยังไงโวยวายลั่นเลยโอ้ยได้ตื่นทีสามนี่ก็โหัวสิผู้ชาตัณห์หลังตรงกัข้ามสุดตรงสุดๆเลยนะทรมาตัวเองข้าวนี้ไม่กินเลยนะตั้งแต่หัดกินค่ะหัดกินอยู่ั้่ไม่กินข้าวเลยเนะี่ยไม่กินข้าวเลยปล่อยให้ร่างกายนี้ เสื่อมโทรงเพราะว่าคิดว่ากิเลสเนี่ยมันมันอยู่ที่ร่างกายนี้แต่แต่เังเกตอีกอันหนึ่งไหมว่าก่อนที่ท่านจะจะมาฝึกท ร, รมานร่างกายท่านได้ฝึกอีกอันหนึ่งคือท ร, รมานจิตท่านบังคับจิตต้องท่านเองสุดๆเลยบังคับจนกระทั่งเหมือนไม่มีจิตเหมือนมีจิตก็ไม่ใช่ไม่มีจิตก็ไม่ใช่เห็นกหว่าไปฝึก ใช้สมาธิกดข่มมันหักห้ามมันบ้าความคิดและอารมณ์นี้มันเยอะนะกก็กดมันไว้ข่มมันไว้จนกระทั่งมันมันไม่รับรู้อะไรเลยนะไม่รับรู้อะไรเลยเหมือนมีจิตก็ไม่ใช่ไม่มีจิตก็ไม่ใช่เพื่อค่ะที่ว่าเข้าแบบนิโรธสมาบัติเข้าสูงสุดไปเลยจนกระทั่งไม่รับรู้เลยเลยแต่พอถอนออกมาเป็นไงก็ยังรับรู้รับโลกโกรธหลมอารมณ์เหมือนเดิมทั้งกันเลยเอ๊ อันนี้ก็ไม่ใช่เดิมทีเนี่ยปล่อยให้ตัวเองจิตใจสเสวยความสุขไปจากการมาคุณทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่อีกทรมานใจสุดๆตัวเองจนไม่ไม่ให้มันเสพอะไรเลยก็ไม่ใช่อีกพอทรมานปุ๊บก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนเดิมละไม่ได้อันนี้จนกระทั่งท่านเข้ามาทรมานตนถึงเรื่องของร่างกายสุดท้ายท่านได้ ความเข้าใจพินสามสายเตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ดีพอดีพอดีอดจึงดีท่านใช่ได้ไายอะไรรู้ไหมสุดท้ายท่านทำอะไรท่านมานั่งเฝ้าดูมันเฉยๆนี่คือทางที่สามที่ออกจากสองส่วนนั้นทันทีเลยคือนั่งดูมันเฉยๆนี่ภาวะที่พวกทรงนั่งดูซิท่านทำมาหมดแล้วทั้งสองส่วนเนี่ย มันมีแตการกระทำทั้งนั้นเลยนะแต่เป็นการกระทําในงด้านไหวกรรมสุขขันธิการโยกก็เป็นการกระทําอย่างหนึง่งแต่เป็นอัตตคุยธรรมฐานนโยกต้องเป็นการกระทําอีกอย่างหนึง่งแต่ท่านได้อุปบวาเอ๊ะงั้นเราลองมานั่งดูเหมันเฉยๆสิไม่ต้องทําอะไรดูมันว่าให้มันทําให้ดูเนี่ยเป็นที่มาคุ้มคาว่าฝึกตรงนี้ที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราฝึกเนี่ย เราพยายามจะฝึกเนี่ยมันเป็นที่มาขกันฝึกนั่งเฝ้าดูมันดูมันเป็นไปจึงเป็นที่มากันให้ฝึกตัวรู้เนี่ยฝึกตัวรู้เพื่อฝึกตัวรู้ทเพื่อมาเฝ้าดูมันดูสิพฤติกรรมของร่างกายมันเป็นยังไงพฤติกรรมของอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจเป็นยังไงอันนี้คือหลักจริงๆที่เรากำลังฝึกอยู่ แต่หลายคนฝึกไปฝึกมาก็หลงประเด็นหลงประเด็นไปไปเอาอะไรไม่รู้ฝึกไปฝึกมาก็จะไปเอาอะไรไปเอาภาวะที่เป็นความสบายความสุขบ้านอะไรบ้างเนี่ยบางทีเราก็ฝึกไปเพื่อจะเอาให้มันดีบ้างเวลาฝึกไปพวกกระชายมันละนู่นละนี่บ้างยิ่งพยายามจะละมันเลยยิ่งละไม่ได้ แต่พระองค์ฟงเฝ้าดูมันจนเห็นเหตุปัจจ no ัยของมันทั้งหมดเลยอ๋อมันเกิดอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันสลายกันมาอย่างนี้เองมันเป็นธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วก็สลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีเราเข้าไปฝึกเลยไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อก่อนไม่รู้ไงไม่รู้เลยฝึกฝึกกันทุกอย่าง สุดท้ายรรมา น, นั่งดูมันเฉยๆนี่เรทางสายกลางแล้วที่เรากําลังฝึกอยู่เนี้ยเรากำลังฝึกเส้นทางนี้แต่บางครั้งเราก็ฝึกผิดนี่เส้นทางนี้แยกออกเป็นสองสายสองสายเขาเรียกว่าฝึกเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์แยกออกเป็นวิธีการฝึกแยกออกเป็นสองสายเนี่ยแต่ภาษาเข้าใจง่ายๆ ฝึกรู้กับฝึกคิดพวกเราเน่ะในผู้เรื่องเจโตวิมุตต์ปัญญาขุนจ้ก็งงอีกเอาฝึกรู้กับฝึกคิดนี่มันมาแยกตรงนี้ในการที่จะเข้าสู่เส้นทางสายกลางตรงไม่ทําอะไรเนี่ยมันมีอยู่สองสางเนี่ยคือฝึกรู้กับฝึกคิดพี่ไอ้ฝึกฝึกรู้กับฝึกคิดเนี่ยต่างกันยังไงเราเนี่ยถนัดฝึกรู้หรือถนัดฝึกคิด ผลที่สุดท้ายเราถนัดฝึกคิดแต่ฝึกคิดที่พระเจ้าเพิ่งฝึกให้คิดคิดเรื่องอะไรกับเราคิดเรื่องอะไรทุกคนเนี่ยทุกคนฝึกคิดคิดแต่เรื่องอันนี้ของเราอันนั้นของเขาเราฝึกคิดแต่เรื่องว่านี่คือเรานี่คือเขาคิดแต่เรื่องเรามีตัวตนอยู่เรื่อยๆเนี่ยเสื้อผ้าของเราบ้านช่องของเราลูกหลานของเรารถราที่ดินที่นานอะไรของเรา ทร um, ัพย์สมบัติที่เราได้มีสิทธิครอบครองเป็นของเราทั้งหมดเลยเราคิดว่านี่คือของของเราแม้แต่ร่างกายเรายังคิดว่าของเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยยังคิดว่าเป็นของเราอยู่เนี่ยเราฝุกคิดผิดไงแล้วเมื่อมีของเราก็จะมีของเขาไม่มีของเราก็บของเขากระทบกันกัน็ได้เกิดการแย่งกันเฮ้ยอันนี้ของเรานะอย่าล้ำเข้ามานั้นล้ำเส้นไม่ได้อันนี้ของเราเนี่ยอันนั้นของเขากันเราไปล้ำเส้นเขาไม่ได้ มันเกิดการคิดเพื่อสร้างตัวตนขึ้นมาแล้ะแบ่งแยกแบ่งแยกตัวเองออกจากธรรมชาติแบ่งแยกตัวเองออกจากความจริงนี่เราฝึกคิดกันอย่างนี้ใช่หรือไม่ถ้างั้นแหละเนี่ยห่วงบ้านกันบ้างห่วงบ้านห่วงวัวห่วงหัวห่วงวัวห่วงควายห่วงที่ห่วงทางห่วงลูกห่วงหลานอันเนี้ยมันคิดว่านั่นคือของของเราหมดเลยแม้แต่ร่างกายทั้งหมดเนี่ย โผล่จากเท้าจาจุดหัวยังวะเนี่ยแขนเราขาเราตาเราตัวเราร่างกายเรามันเคยพูดไหมมือเคยพูดไหมขาเคยพูดไหมแขนเคยพูดไหมอะไรมันพูดเนี่ยปากพูดพูดวีแต่ของเราทั้งนั้นเลยงั้นถ้าคิดให้มันตรงอย่างที่พระเจ้าท่านสอนเดี๋ยวจะแยกให้ชัดว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยอันไหนเป็นกระบวนการฝึกรู้อันไหนเป็นกระบวนการฝึกคิด มันจะมีอยู่แต่ว่ามันมันไปด้วยกันได้แต่พูดนิดหน่อยว่าเราไม่ได้ฝึกฝึกคิดเราฝึกรู้แต่ฝึกคิดให้ถูกคือคิอคดเรื่องอะไรหนึ่งตั้งแต่เ้า่องผมขนเล่มฟันหนังต้องคิดไหมคิดใช่ไหมเรื่องคิดเรื่องผมของผมเป็นผมของผมเป็นยังไงผมเนี่ยให้คิดเรื่องผมคิดจนกระทั่งเออเนี่ย ตั้งแต่ดำไปขาวขาวจะหลุดหลจะร่วงร่วงยนเปื่อยไปเลยขนอย่างร่างกายเราขนมีขนกี่เส้นกี่เส้นคิดเรื่องขนเล็บเออมันเคยสวยเคยงามมันงอกได้ตัดทิ้งไปอะไรพวกนี้เล็บฟันเนี่ยร่วงไปกี่อันแล้วเหลือกี่อันฮะแต่ละคนเนี่ยใส่ฟลอมมาบ้างยากเนี่ยฟันหนังเหมือนกันมันเคยเต่งตึงเหี่ยวย่นไปเนี่ยประเด็นแรกที่ข้าง่ัดคิดเนี่ย ผมขนเล็บผนังเวลาพระโบสถมาแล้วปุ๊บอาหาคิดอย่างนี้ให้คิดมาดูตัวเองก่อนเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองยึดที่สุดคืออะไรตัวเราใช่ไหมสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละมันจึงไปยึดถืออื่นๆพราะยึดถือตัวเองก่อนตัวเราเนี่ยพอเรายึดร่างกายเราปุ๊บเราเหมือนเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาปลเปลือกร่างกายมาทํามาหากินหาเงินหาทองเพื่อปลเปลือกร่างกายทั้งหมด อันนี้เขาเลยบอกว่าตีตรงนี้ก่อนให้คิดถึงผมขนเล่มฟันหนังเราคิดบ้างไหมผมไม่ดำก็ไปย้อนให้ดำผมไม่แดงก็ไปทำให้แดงคิดอย่างนี้ได้ป่าวแต่งสีแต่งสันไปนเรืเเเเ่อยเปื่อยเนี่ยมันคิดมันไม่ได้คิดถึงที่พระท่าสนสอนผมโขผมของผ ม, ผมหน้าตาของเราเหมือนกันเคยดูทีไรแล้วมันชักเขียวชักไม่เต่งไม่ตึงนี่ชักจะไม่ค่อยคอท่ายเล่นเหมืกัน Hey, อยู่ดีๆไม่สีไม่สวยก็ไปทาสีให้มัน ส, สวยๆนี่ไม่เคยคิดถึงสัจจะความจริงย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้กเ็เราคิดตรงกันข้ามลึกลงไปอีกให้คิดอีกอาการสามสิบสองที่เราสวดเมื่อกี้นะ่ะบทที่เราสวดเมื่อกี้น่ะอาการสามสิบสองเช่นในร่างกายนี่มีอะไรบ้างให้คิดไปมีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีอาการตาเรามีตา มีไตมีไส้มีปอดมีอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในเราเนี่ยแยกออกมาเป็นส่วนส่ว น, ส, วนส่วนตับไตไส้ปอดน้ำดีสเลตเหลืองน้ำเลือดเงื้อมันคน้นอะไรต่างๆเนี่ยน้ำตาอาจิระปัสสาวะอะไรต่างๆ น, นี่คือคิดคิดทำนี้อีกอันหนึ่งนี่กันคิดนะแล้วเราเคยคิดบ้างไหมไม่เคยเลยมันจะไปได้ยังไงเนี่ยพวกเราไม่เคยเลยแล้วยังคิดลึกเข้าไปอีกเรื่องธาตุสี่ในร่างกายที่มีดินน้ำลมไฟ มีอาการสามสิบสองอีกแล้วเคยคิดไหมเรื่องอสุภะตั้งแต่นี่คือวงการเส้นทางวามคิดนะอสุภะคือตั้งแต่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันเคยเคยคิดไหมเคยเปิดไปดูไม่ได้เฟ้นได้ลายอ่ะเคยไปดูบ้างไหมสิ่งเหล่าเนี้ยเครื่องดอกไม้พระอริยะเคยดูไหมโอ้ไม่ดูกลัวเฮ้ยมันคิดมันเลยเลยบอกว่าเส้นทาของการ ทีอยคิดไปเส้นทางนี้คุณหมดแล้วคุณปิดประตูแล้วคุณไม่ได้เคยหัดเลยไม่ได้หัดเลยแล้วลึกขึ้นไปอีกคิดไปอีกอะไรคิดไปถูอริยสัจนุ่นธาตุสี่่ะขันห้าอริยสัจแล้วก็ไตรลักษณ์พอสุดท้ายเบื้องต้นยังไม่เอาเลยจบเลยเส้นทางนี้คุณไม่ต้องไปห้แล้วเพราะคุณไม่ได้เริ่มมาพอคิดแต่ละทีเป็นยังไงจะไปบ้าน <c oughs> คิดแต่ละทีเนี่ย คิดและบางทีคิดแต่คันไอ้คนนั้นมันว่าเราใช่ไหมไอ้คนนั้นมันทําให้เราโกรธคิดแต่ละทีสร้างแต่ความโกรธได้แต่ความเกลียดใส่ตัวเองใส่ตัวเอ ง, ใ ส, เองใส่ไปในใ จ, จโอ้จบเลยเส้นทางนี้เส้นทางที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเส้นทางหนึ่งที่เราคิดแต่เราคิดอีกมุมหนึ่งเราคิดอีกมุมมุมตรงกันข้ามเขาโพสดท้ายการคิดทั้งหมดเพื่ออะไรคิดไปเพื่อละลายตัวเองจนไม่เหลือตัวตน ความคิดรู้จาณคือคิดเพื่อให้ละลายตัวเองจนไม่มีตัวตนเลยนี่เส้นทางการคิดนะแต่ทุกวันนี้เราคิดแต่เส้นทางของการคิดเราคิดแต่ประกอบตัวเองพยายามให้มีตัวตนเพิ่มขึ้นนหลักๆคือคิดอะไรเรื่องสุขสุขขังนิจจังอัตตาเรื่องสุขขังธ์เออเราเนี่ยจะมีความสุขบ้างทุกบ้างใช่ปะ่ะเราเลยจะแสวงหาแต่ความสุขแต่ความทุกข์จะหนีเนี่ย นิจจังคืออะไรก็ตามที่มันมีเป็นของเราต้องอยู่กับเราตลอดการไม่สามารถไม่ต้องหนีไปมันไม่ต้องพลัดผ้าไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องจากนี่แล้วคิดแต่นิจจังคือความเที่ยงคิดเรื่องอัตตาคือ เ, เรามีตัวตัวเรามีตัวเราอยู่คนหนึ่งที่ต้องรับภบรับสุขอยู่ทุกวันเนี้ยเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของเราต้องรับความทุกความสุขเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยคิดผิดในเส้นทางการคิดทั้งหมดนะ แต่ตามค์กันกล้าพี่เจ้าไหมถ้าพี่เจ้าท่านคิดว่ามันมีทุกข์ทั้งนั้นไม่มีสุขเลยน่าอยู่ไหมโลกนี้ถ้าคิดอย่างเงี้ยอยากตายไวๆ ไ, ไหมก็ยังไม่อยากอีกเลย <c oughs> ในโลกเนี้ยพี่เจ้าไอคิดว่า <c oughs> มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีความสุขเลยแต่มีความสุขชนิดหนึ่งก็เลยวางทุกข์ได้อย่างสุขนั่นคิดอย่างนี้ต่างหากในโลกเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์พอทุกข์พอ รู้ไหมจิตเราอ่ะถ้าเอาทุกสอนจิตเข้าไปมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตเราจะวางเองเนี่ยมันมีแต่ความทุกทางด้านเลยกินทุกไหมกินทุกไหมฝันจะได้กินเนี่ยทุกไหมกินไปแล้วทุกไหมเนี่ยกินไปแล้วรู้สึกว่าจะสุขหน่อยหนึ่งแต่ถ่ายทุกไหมนั่งอยู่เนี่ยทุกไหมนอนทุกไหม นอนเนี่ยมันจะสุกอยู่นิดเดียวนะสักพักหนึ่นงเนี่ยทุกและวนั่งเนี่ยมันจะสุขอยู่นิดเดียวเดี๋ยวต้องทุกอีกแล้วยืนน่ะยืนยืนทุกไหมยืน แ, แรกๆสุกแต่สักพักหนึง่งทุกอีกแล้วเดินล่ะทุกไหมเดินแรกแรกอ่ะรู้สึกมีสุกนะแต่เดินสักพักหนึ่งเป็นไงทุกอีกแล้วเนี่ยในความจริงมันมีแต่ทุกตลอดแต่พวกเราไมนไม่มีความรู้สึกที่จะคิดตรงนี้ไงแล้วทุกอย่างเที่ยงได้ เนี่ยเราเนี่ยแปลงเราคนคนหนึ่งดูสิเปลี่ยนแปลงวงัยมาถึงขนาดนี้แล้วนะมันเที่ยงไหมร่างกายเราเนี่ยไม่เที่ยงแต่เราคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่กแมมก่นะวายังไม่แก่นะเรายังจะต้องเอานู่นเอานี่เอานั่นอะไรก็ยังจะทะเลาะฝอกหวนกับใครอยู่เรื่อยเปยื่อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่ะสัจจะมันบอกอยู่แล้วเราเปลี่ยนมาตั้งแต่ผมเคยดำก็ขาวเนี่ย สร้างกายที่เคยเต่งตึงก็หย่อนแล้วจะลุกก็โมแรงที่เคยมีกําลังก็เริ่มหายไปแล้วเมื่อก่อนนี่ยพู้ยเอาอะไรเอาหมดเลยทีนี้เห็นเหอเห็นเห็นก็ทําทแล้วมันไม่ถูกใจเราอยากจะทําก็ทําไม่ไหวสารพัดเเมื่อก่อนยกโต๊ะยกเก้าอี้คนเดียวก็ยกได้สบายเ๋ยทนีนี้จำไหมอุ้ยไม่ไหวแล้วกลับไปเป็นเหมือนเด็กเหมือนเดิมอ่ะเรื่องไม่ค่อยมีแรงอ่ะเนี่ยแล้วผลสุดท้ายก็ยังไง คนสุดท้ายก่อนคนก่อนก่อนนู้นที่เกิดมาเราอะ่ะเข้าไปไหนอก็หายไปหมดแล้วแล้วเราแหลแล้วเราต่อไปเราก็ต้องหายอันเนี้ยเราไม่เคยคิดอย่างนี้ไงอันนี้ก็เรียกว่าให้คิดเป็นหลักอย่างนี้บ่อยๆมันจะทําให้จิตเราปล่อยแต่โมแต่คิดป่านนี้จะไหวไหมนะแต่อวันมันจะไปไหนแล้ว อันนี้คือเส้นทางหนึ่งนะพอถึงที่สุดเขามันเราคิดอย่างนี้บ่อยเข้าไปเข้ามันก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นหมายว่ามันวางมันวางตัวเองได้มันวางทุกเรื่องราวได้วางทุกสิ่งบรุรณะนี้ได้จิตมันวางไม่ใช่เราวางนะคือว่าคนวางหมดแล้วยังกินข้าวไหมกนมินเป็นเรื่องของร่างกายแต่จิตใจต่างหากที่มันวางเราต้องการให้เกิดการวางภายในใจนู่นไม่ใช่วางข้างนอก กายเนี่ยมันต้องทำมาหากินอยู่แต่ให้ใจมันหวานอันนี้คือเส้นทางหนึ่งนะให้เข้าใจว่าเท่าคิดเนี่ยในมุมนี้แต่พวกเราคิดแตอีกมุมหนึ่งคิดคิดในมุมเอาเข้าไม่ใช่คิดมุมมคลายไม่ใช่มุ่งคลายออกคิดแต่มุมเอาเข้ากับเข้ายึดเข้าถือเข้าสําคัญมานหมายเข้ามันเลยตีกับเขาเข้าสังเกตไหมไปตีกับคนโดนคนที่เข้าเพราะเราเนี่ยจะเอาไว้ อันนี้มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือมุมเรียกเจโตเจโตแปลว่าฝึกรู้ฝึกรู้ไม่ใช่ฝึกคิดที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้สึกตัวให้รู้สื่ อ, อให้ภาวะการรู้สื่ อ, อขึ้นมาเนี่ยนี่อีกมุมหนึ่งเวลาเราสวดมนต์สังเกตไหมบทสวดมนต์แรกๆเช่นยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่ง นอนให้รู้ว่านอนแล้วไล่เข้าไปอีกสัพพัญญะบัพภะคูเหยื่ดเคลื่อนไหวเลี้ยวซ้ายแล้วฝ่าก้มเงยอันนี้เป็นภาวะของกันรู้ทั้งนั้นเลยฝึกรู้ทั้งนั้นเลยแล้วลึกเข้าไปอีกขึ้นจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นการฝึกรู้ทั้งนั้นเลยเพราะจิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์นะอย่าเพิ่งคุยกันนะเขา้าใจว่าเนี จิตเส้นทางที่เรากำลังฝึกคือเส้นทางนี้อยากเห็นภาพบอกให้เห็นภาพให้ชัดไอ้การฝึกรู้ซื่อเนี่ยมันจะพาไปหลุดพ้นได้อย่างไรโดยใช้อะไรเป็นฐานมันเข้าไปถึงจิตเนะี่ยเมื่อวานฟังหลวงพ่อหลวงพ่อหาวงพอมาอะไรไหมบอกถ้าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วต้องฝึกจิตการฝึกจิตคือฝึกรู้นะคือฝึกรู้มันฝึกรับรู้มัน เ, นเป็นหลัก ที่การฝึกคืออะไรให้เราหัดหัดทุกคนมีตัวรู้อยู่หรือยังทุกคนมีไม่ภาวะที่รู้เนี่ยตอนนี้เอาง่ายๆถ้ามันหนาวเนี่ยรู้ไหมแสดงว่าเรามีการรู้อยู่ใช่ไหมอ่ะมันหนาวเราก็รู้เอ้านั่งไปนั่งนาพวกพลิกบ่อยๆเนี่ยมันรู้ไหมยังรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันปวดรู้ว่ามันเมื่อยบางคนกำลังง่วงๆอยู่เนี่ยรู้ยัง อ่าเนี่ยต้องหัดดีๆเวลาฝึกรู้ปุ๊บเนี่ยเรื่องที่จะฝึกรู้เนี่ยมันมีรู้อยู่แล้วทุกคนน่ะมีตัวรู้อยู่แล้วแต่ตัวรู้คนทุกคนยังไม่ได้ฝึกพอรู้แล้วมันมันเลยไปไหนรู้เสร็จเรียบร้อยมันจะเลยไปคิดมันมันหลุดไปสู่การคิดหมดเลยไม่ใช่อยู่กับการรู้พอรู้ปุ๊บรู้อะไรคิดแหละเขาถ่ายรูปนี่คิดยังแต่มาคิดแล้วนะ จะถ่ายทำไมนักหนารำคาญไอ้คิดแล้วนั้นเนี่ยเห็นป้าก็คิดเลยมันจะไป ท, ทันทีแล้วก็แค่ทําหน้าที่อย่างที่บอกว่าเวลาตาเห็นหูได้ยินเนี่ยเป็นหมดเลยเนยังมันคิดหมดเลยเราต้องฝึกให้ดีๆว่าเราฝึกรู้เนี่ยนี่คือกระบวนการในการฝึกรู้ที่เราจะฝึกเนี่ยที่เราฝึกฝึกกันเนี่ยผอสท้ายที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยต้องคิดไหม การเคลื However, like ่อนไหวของเราเนี่ยต้องคิดไหมเขาบอกไม่ต้องคิดแต่กูยังจะไปคิดอยู่อีกการเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวทั้งหมดใช่ในชีวิตเนี่ยยืนเดินนั่งนอนก็มีอยู่แล้วแต่เราเคยรู้สึกกับมันไหมไม่เรารู้สึกกับคิดมากกว่าทั้งที่เรามีอยู่แล้วการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราเนี่ยไม่เคยหนีเราจากไปไหนหรอกแต่เราชอบ เอาใจเราไปอยู่กับการคิดมากกว่าการรู้แต่เรามาฝึกเนี่ยบางคนฝึกไปฝึกไปเอ๊ะเพราะฉันคิดนุ่นตอนนีนให้ยกไปให้รู้ไปนับมันอีกไปใส่คําความพูดไปอีกไปใส่การคิดอีกให้รู้ชี้เฉยให้รู้ตามที่มันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการฝึกนี่เนะถ้าเราแยกออกไปนะ้นก็เรียกว่าท่าขันอาจารย์ตันนะถ้าพูดภาษาพระนะ ถ้าพูด ง, ง่ายๆว่าคือการรับรู้อ่ะธาตุดอกไม้มันเีสีอย่างนี้เพราะอะไรทําเพราะใครไปทําให้มันดอกดาวเรืองเนี่ยใครไปทำมันเป็นสีนี้นี่เรื่องธาตุมันทําธาตุสีอ่ะดินน้ําล ม, มไฟมันทําดอกกล้วยไม้อ่ะธาตุมันทําเราทําได้ไหมไม่ได้เราทําหน้าที่แค่ ทำเหตุแค่เอามันไปปลูกแล้วดูแลส่วนต่างๆมันจะมีโครงสร้างของมันเองที่มันปรุงเองมาเนี่ยเรียกว่าธาตุบรรธรรมทั้งหมดเลยมันปรุงหมดเลยต้นอ้อยต้นหนึ่งเนี่ยใครทำเมันหวานต้นกล้วยต้นหนึ่งใครทําออกลูกเออเนี่ยถ้าเราโมมุมธาตุบรรธรรมเนี่ยธาตุบรรจะทำออกมาในรูปแบบต่างๆ ธาตุมันจะปรุงแต่งอยู่สี่ห้าส่วนหนึ่งมันปรุงแต่งรูปเนี่ยธาตุมันปรุงแต่งรูปต่างๆขึ้นมาอันเนี้ยปรุงแต่งรูปขึ้นมาไหมเนี่ยเป็นรูปขึ้นมาใช่ไหมแต่อาศัยธาตุสี่อิดหินดินปูทรายปั้นออากาเป็นต้นไม้ธาตุมันทําหมดเลยธาตุสี่เนี่ยมันทําปรุงแต่งรูปเนี่ยเสียงไก่ใครปรุงแต่งให้มัน เสียงหมาใครพรุงแต่งให้มันเนี่ยเสียงงัวเสียงควายเสียงเสียงทุกเสียงเสียงนกทุกชนิดเสียงต่างๆเนี่ยธาตุมันทำธาตุมันทําอาการของเสียงต่างๆอา้าวกลิ่นเนี่ยใครทําให้มันทีนี้ธาตุก็ทําอีกอ่ามันจะทํารูปของกลิ่นเข้ามาให้ให้จมูกรับรู้แล้วรสใครทำํำดีนี่เกลือเนี่ยใครทํารสให้มัน ธาตุมันทำแต่ไอลิ้นเราทำหน้าที่รู้เฉยๆต้องต้องแยกให้ชัดนะว่าถ้าแต่มันทาอยู่สี่ส่วนห้าส่วนส่วนร้อนเย็นเจ็บปวดเนี่ยใครทำธาตุทําทางนั้นเวลามันเย็นปุ๊บแบบความร้อนลดลงความเย็นก็เกิดขึ้นเวลาความร้อนมันเกิดขึ้นมาปุ๊บความเย็นมันลดลงมันก็ร้อนธาตุมันทําทั้งหมดเลยที่มันมากระทบกับร่างกายเนี่ยที่เรานั่งนั่งอยู่มันเจ็บเนื่องจากธาตุมันทำเนี่ย ไม่ใช่เราทานะถ้าเราทําเราอยากเจ็บไหมอาตมาอยากอย่างเดียวแหละเท่าอาตมาสั่งได้อาตมาสั่งอย่างเดียวมันไงไๆไม่ต้องไปอยู่มันนานนะมันตายอะไง่ายๆอะแต่ว่าสั่งอยากอยากสั่งอย่างเดียวคือไม่ต้องหิวข้าวเว้ยแต่สั่งได้นะขออย่างเดียวพอไม่หิวข้าวก็พอแล้วพราะไม่ต้องกินเหมือนวุ่นวายทิ้หายเลยวุ่นวาย ต้องทำไรต้องไถนาะต้องโอ้ยต้องทำงานเพราะไอ้ท้องอันเดียวนี่แหละแล้วไม่เคยอิ่มทุกทีฉังเห็นเห็นว่เราต้องเหนื่อยเพราะหาเงินมาก็มาเลี้ยงท้องอย่างเดียวเดีย่ยถ้ามันไม่หิวได้เนี่ยเหมือนเป็นเทวดาไนดะ้ก็ะจะดีอ่ะไม่ต้องไปกินมันอีกจะสบายเลยทีนี้ไม่ต้องเหนื่อยต่อการหาอาหารอีกใหร้รู้จักว่าธาตุมันทำทั้งหมดเลยเสร็จแล้ว มันจะปรุงแต่งกันท้หมดเลยเนี่ยแล้วเราไปดูเนี่ยถ้าเราฝึกตัวรู้เนี่ยมารู้การทํางานของมันเนี่ยมันเย็นบ้างมันร้อนบ้างปวดมันเมื่อยมันสิ่งที่ดูง่ายที่สุดคือกายนี่แหละเอาฝึกตัวรู้เนี่ยมารู้ที่กายนี้หัดรู้ที่กายนี้เพราะมันชัดเจนดีอาการของร่างกายเนี่ยชัดเจนอีกนั่งอยู่ชัดไหมเนี่ยนั่งเนี่ยจริงๆถ้าเราดูเนี่ยนั่งเนี่ยท่านมันทำนะ ธาตุลมมันประคองไว้ไม่ให้หลงที่เรานั่งอยู่ได้เนี่ยคุณได้ธาตุลมนะเดินได้เคลื่อนไหวได้นี่ธาตุลมนะธาตุลมเนี่ยเป็นอาการเคลื่อนไหวธาตุน้ําเนี่ยเป็นอาการเกาะกลุ่มธาตุไฟเป็นอาการร้อนธนาตุดินเป็นอาการแข็งเนี่ยตามกระดูกตามโครงสร้างร่างกายที่มันเป็นส่วนแข็งเนี่ยนี่เป็นเรื่องของธาตุหมดเลย ส่วนอีกอันหนึ่งทําไมมันคิดนักคิดหนาเขาเรียกว่าขันมันตูงอเคยเห็นไหมมันจะเอาห้าส่วนเนี่ยมันเหมือนแม่ครัวใหญ่รู้จักเวลาปรุงอาหารไหมนึกถึงภาพออกไหมเราจะทําอาหารเจอาให้มันเป็นผัดเป็นต้มเป็นแกงเนี่ยเราต้องใช้อะไรสิ่งที่เราใช้มาคือบางทีไปเอาผักมาเอาปลามาเอาหมูมาเอาเนื้อมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นต้มเป็นแกงก็อย่าง เป็นอย่างทีนี้ถ้าเราจะให้เป็นไงเอาผักบ้างเอาน้ําพริกเอาอะไรใส่ใส่ใส่ใ ส, ใ ส, ใ ส, ใสจนกระทั่งมันเป็นใช่ไหมเรียกว่าไอ้ตัวสังขารเนี่ยไอ้ตัวข้างในที่มันปรุงมาเป็นความคิดปรุงมาเป็นชอบใจไม่ชอบใจเหมือนพ่อครัวใหญ่มันเอาไอ้ท่าทั้งห้าเนี่ยท่าทั้งสี่เนี่ยที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเอาไปปรุงเป็นความคิดขึ้นมาเจ้าพ่อครัวใหญ่เนี่แมันปรุงเป็นคิดโลกคิดโจดคิดลงคิด ยึดนู่นยึดนี่อยากไม่สิ้นสุดถือไม่สิ้นสุดสําคัญมั่นหมายไปไม่สิ้นสุดเพราะมันเอาจากการเห็นนี่แหละพอเห็นปุ๊บมันก็จะไปปรุงได้ยินปุ๊บมันก็จะไปปรุงได้กลิ่นปุ๊บก็จะเปปรุงได้รู้รสปุ๊บมันก็จะไปปรุงพอได้สัมผัสร้อนบั่งเจ็บบ้างปวดบ้างมันก็จะ เ, เปปรุงนี่ก็เรียกขันทีนี้ภาวะของตัวรู้ซื่ออยู่ตรงไหนบอกแล้วนะท่าน กับขันสองอันเนี้ถ้ามันปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาให้เราแล้วเราก็ไปเสพไอ้เจ้าสังขารมันก็ปรุงขึ้นมาเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรามาปรุงเป็นคว า, ามคิดคว า, ามชอบใจคว า, ามไม่ชอบใจคว า, ามอยากคว า, ามยึดแล้วก็ไปเล่นกันสิ่งที่เราอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงอายตนะรู้ไหมตาเนี่ยทำหน้าที่เดียวกับใจเลยตากดคนไม่เป็น ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยทาหน้าที่เดียวกับตัวนั้นเลยทําหน้าที่เดียวสองส่วนนี้ก็ทําหน้าที่ปรุงกันแต่ใจก็ทําหน้าที่รับรู้นี่ใจเราเนี่ยเรากําลังฝึกตัวนี้ต่างหากตาเนี่ยมันกดคนไม่เป็นมันได้แต่เมื่อกองวันนี้เราบอกใช่ไหมตาเห็นกับที่เห็นต่างกันใช่ปะตาเห็นก็เห็นแต่สีหูได้ยินก็ได้ยินแต่เสียง มันไม่ได้คิดเรื่อเขาว่าเราหรืออะไรนั่นเจ้าตัวขันมันปรุงอ่ะไอ้เจ้าเจ้าหัวใหญ่เอาไปปรุงอ่ะมึงว่ากูอ่ะไม่รู้ว่าใครเขาไปจะเอ่ยชื่อซ้ําแต่ว่าพอได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเป็นยังไงแล้วก็ฟังเฉยเฉยแต่เสียงคนนี่ไม่ได้ขึ้นเลยบางคนไหนเราชอบก็บขึ้นอย่างหนึ่งคนไหนเราเปลียนแล้ว่าขึ้นอีกอย่างหนึ่งพอเห็นปุ๊บเดี๋ยวดูกระบวนการมันทํานะมันทํำกันยังไงทีนี้ให้มารู้จักอันนี้ก่อนอายตนะเนี่ยทําหน้าที่รับรู้ รับรู้เหมือ น, น, นทําหน้าที่เือนคลื่นโทรศัรพท์นี่แหละเป็นเครื่องโทรศัพท์ชนิดหนึ่งรับมาอย่างเดียวมงมายังไงรับมาอย่างเดียวไม่มีเลือกไม่มีเลือกมันเหมือนเหมือนจานดาวเทียมอ่ะจานด <corazón> าวเทียมสมัยก่อนจะนี้พูดถึงจานดาวเทียมนึกก<ด>ันไม่ค่ยเป็นแล้วเนี่ยพูดถึงโทรศัพท์อยคิดเป็นมันเหมือนตัวเครื่องโทรศัรพท์นี่แหละใครส่งคลื่นมาปุ๊บมันรับรับรับแปลงสัญญาณเป็นรูปเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลย แต่มันมีหน้าที่ตัวมันน่ะมีหน้าที่รับอย่างเดียวรับเรื่องเดียวตาก็รับรูปรูปมีกี่ชนิดรูปผลสุดท้ายเราแยกรูปออกมาเป็นได้สองส่วนรูปหนึ่งเป็นรูปที่เราชอบกับรูปหนึ่งที่เรามันจะปรุงพอรับปุ๊บแล้วมันจะไปปรุงไปสู่ชอบกับอีกรูปหนึ่งพอรับพอรับมันจะปรุงไปสู่ความไม่ชอบมันจะรับได้สองเสียงเหมือนกันรับรู้ปแล้วก็ปรุงไปสู่ความชอบบ้างไม่ชอบบ้าง จะบูมไหมกันพอเรารับรู้ไปแล้วก็จะเอากลิ่นนึงมันมีกลิ่นหอมก็มีกลิ่นเหม็นมีเสียงเพราะก็มีเสียงไม่เพราะมีรูปสวยก็มีรูปไม่สวยมีรสอร่อยก็มีรสไม่อร่อยมีภาษาทางกายที่ดีกับมีภาษาทางกายที่ไม่ดีคู่กันไปอย่างนี้แหละแล้วไปปรุงข้างในแต่ว่าอายัดณะทาหน้าที่รับตาทําหน้าที่รับรูปหูทําหน้าที่รับเสียงจมูกทําหน้าที่รับกลิ่นลิ้นทําหน้าที่รับรสกายทําหน้าที่รับสัมผัส ใจทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตาหูจมูกเล่นกายแล้วปัจจโกรธคนเป็นไหมที่โกรธเป็นเนี่ยเจ้าครอบครัวใหญ่ด้านบนปรุงมันปรงุมปรงมาโกรธมาเกลียดมารักมาชังนูน่นไอตัวสความคิดเจ้าตัวสังขารข้างในน้านบนปรงุงไอใจเรานะ่ะมันไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักมันมีแต่ให้รับรู้เฉยๆเรารู้สึกซื่อ รัรู้ตรงตรงตามที่มันเป็นแต่ด้วยใจที่เราไม่ได้ฝึกอยู่กับใจเราเองไปฝึกอยู่กับพ่อครัวเพราะรสชาติมันเยอะใช่ไ่มอยู่กับตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ค่อยมีรสชาติเลยว่ะไปอยู่กับเจ้าสังขายเจ้าครัวใหญ่มันปรุงเดี๋ยวมันปรุงรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดรสมันรสเค็มรสจืดรสอะไรสารพัดรสให้เราเราได้กินกันพอเราได้กินเราก็เพลินดิจิตเราก็เพลินนแทนที่จะรู้อยู่กับตัวเอง กลับไปรู้อยู่อารมณ์นู่นก็เลยพอไปรู้ความโกรธตัวเองก็เลยไปโกรธด้วยไปรู้ชอบตัวเองก็เลยชอบด้วยรู้อยากตัวเองก็อยากด้วยเพราะมันไม่รู้จักนี่แหละมันจึงจะเป็นต้องฝึกต้องมีสติในการฝึกที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกฝึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่คือภาวะหนึ่งที่เราต้องฝึกตัวนี้ให้ดีๆตัวภาวะการตื่นรู้เนี่ยตื่นขึ้นมารับรู้อย่าตื่นหลับเสี โอ้สาวคุยอย่างดีแล้วเนี่ย mm hmm. วันเนี้ยให้เข้าใจโครงสร้างมันจะดีแล้วเราจะฝึกได้ชัดเจนว่าเราฝึกตรงนี้นะอย่าไปฝึกตัวนู้นเราฝึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการใจของเราเองเนี่ยใจเรามีหน้าที่รับรู้อารมณ์ไม่ใช่เป็นไปตามอารมณ์เลยไม่ได้เป็นเลยเพราะความโกรธเป็นแต่ว่ามันปรุงมาคืออรรสชาติอันหนึ่งแล้วก็ผ่านความอยากอรรสชาตินหนึ่งแล้วก็ผ่านชอบใจอันหนึ่งแล้วก็ผ่าน ทุกอย่างสังเกตไหมความชอบของพวกเรา่เคย อ, อยู่กับเราตลอดไหมและความไม่ชอบแหละเคย อ, อยู่ตลอดไหมแต่หายยากหน่อยความชอบเรานี่เกิดยากหายง่ายแต่ความไม่ชอบนี่เกิดง่ายหายยากเพราะอะไรเพราะเราไปเสพแต่สิ่งที่ไม่ชอบไงเราไปเสพแต่สิ่งที่เสพแต่อคุศลน่ะเสียแต่เรื่องที่ทําให้ เกิดความไม่ชอบในใจบ่อยๆมันก็เลยเกิดง่ายหายยาก mm. ก็เรียกว่าคนน่ะถ้าคนหนึ่งเสพในเรื่องเมตตาเมตตากรุณาสงสารช่วยเหลืออันเนี้ยไอ้ความรู้สึกว่าโกรธมันจะเกิดยากแต่ไอ้ความรู้สึกที่จิตที่มันสบายจิตที่มันมีเมตตาอนุเคราะห์สงสารคนตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วหายยากเรียกว่าบุญเนี่ยเสพบุญอย่าไปเสพ บ, บาป แต่พวกเรานี่สร้างปัใจจัยในการเสพ บ, บาปไม่ค่อยเสพ บ, บุญน่ะแล้วจะไปโทษใครเนี่ยว่าทาไมโกรธง่ายหายยากจังเนี่ยสังเกต ด, ดูทั้คนไหนเขาเขาเสพแต่บุญน่ะเขาจะโกรธยากแต่เขาสบายใจได้ง่ายเนี่ยต้องไปดูจริงๆว่าเราสร้างเหตุอะไรแล้วเรารับวิบากของเราทางนั้นเลยแต่เสพอันหนึ่งที่มันเหนือบุญเหนือบาปคือเสพการหลุดพ้นไม่ยึดติดกับอารมณ์เฮ้ย ความสบายใจมันก็ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายสังเกตไหมแล้วความไม่สบายใจอะ่ะก็ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายเราจะไปเสษมันทําไมเอา้าสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยโกรธโกรธโกรธโกรธแล้วไปทําตามความโกรธนั้นแล้วความโกรธนั้นหายไหมไม่หายเยอะมันจะโกรธข้ามพบข้ามชาติแค่คนเดียวก็จะตาย วิกฤโกรธข้ามภพข้ามชาติเมันมันหายนะพอพอสักพักหนึงอ่ะพอเราทําได้ตามตามใจชอบแล้วเราก็จะหายไปสุ่เท่าความชอบแหละโอ้เอ็นดี้ฉันชอบพอไปทําตามมันสักพักหนึ่งเป็นไงมันก็จะหายไปหายไปแล้วมันเวียนซ้ําสิมันเวียนมาบ่อยไงมันหายไปแล้วแล้วมันมาใหม่มันมาครั้งใหม่ไม่ได้มาครั้งเก่าที่มันมานั่นน่ะ แต่เราคิดว่ามันมานั่นแหละจะไปเอาข้ามภพข้ามชาติเดี๋ยวติดลงไปเตรียมตัวเนะี่ยทําบุญแทบตายลงนรกไปรู้เรื่องงั้นมันเป็นแค่ภาวะขณะหนึ่งกันเองความชอบใจเราเสพสักพักหนึ่งมันก็จะหายความไม่ชอบใจเราเสพสักพักหนึ่งก็หายแต่ไอ้การเสพของมันบ่อยๆมันจะเกิดอะไรคเคนกเรียกเสพติดอ่ะตรงเนี้ยจิตมันเริ่มติด มันเลือกไปเสพติดอารมณ์บ่อยเข้าไปเข้ามันรีโกรดง่ายหายยากถ้าคนเสพอารมณ์ดีๆโกิดเสพเสพอารมณ์ไม่โกรดอ่ะเสพอารมณ์ไม่โกรดบ่อยเข้าบ่เข้ามันก็โกรดยากหายง่ายมันอยู่ที่เสพติดทีนี้ถ้าจิตมันเพราะเปล่อยให้จิตไปติดอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันไม่ติดเพราะวองตัวตื่นรู้เนี่ยตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลยวิ่งไปตามอารมณ์นั้นตลอดเดี๋ยวเรียวา่าเฮ้ยคุยกันดีๆออกเดี๋ยวหันน้าโมโหอีกแล้ว เกียว่ะงั้นเช้าคุยกันดีๆใส่หน่อยงดเงยบนละวทีตอนพระไปวิบากก็ใส่บาตรดีๆหมามาโกลหน่อยตีหมาอีกแล้วเป็นงั้นหป่ะมึงกําลังใส่บาตรดีๆหลานไม่ยุ่งเลยก็โวยวายไหลไล่หลานนีกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเลยโอ้มันเดี๋ยวเป็นเดี๋วไม่เป็นเพราะไอ้ตัวเจ้าเจ้าเจ้าเพ่าโครยใหญ่มันปรุงไหมมันปรุงแล้วเราไปยึดถือมันไปกินอาหารของมันไงมันเลยเกิ์วิบากทางจิต อย่างวิบากทางจิตที่ต้องรับแต่พอเราฝึกตัวนี้เราฝึกให้จิตมันตื่นขึ้นมารับรู้อารมณ์บ่อยๆบ่อยๆให้จิตมันเสพคุ้นตัวนี้เสพคุนตัวนี้เสพคุนตัวใจใจทําหน้าที่รู้อารมณ์แล้วเรารู้หรือยังโกรธรู้ไหมรู้แต่ไปด้วยที่รู้เฉยๆว่ามันคือแขกมาเยี่ยมเราเฉยๆอย่าไปกับมัน สังเกตไหมเดี๋ยวเนี้ยมันมันเหมือนกับสิ่งเหล่านี้ยอารมณ์สิ่งเหล่านี้ยเหมือนเขาโฆษณาขายสินค้าไม่มีผิดเลยเขาจะโฆษณาอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมใช่ป่ะพอเราดูไปดูไปปุ๊บอันนี้ก็จะน่าเอาไปซื้อมอั น, นก็เลยเสร็จเนี้ยเสียพอซื้อมันแต่ละทีปุ๊บคุณธรรมของเราหายไปความ ความเป็นอิสระในใจเราหายไปทันทีเลยเหมือนกับเราซื้อของอะไรหายไปเงินในกระเป๋าหายไปไม่มีผิดเลยแหละไปดูยิ่งเดี๋ยวนี้ดูในไอ้นี่เป็นโฆษณาอะไรลาซาดา้าอ่ะที่โฆษณาโน่โนโฆษณาที่นีนน่ไปซื้อไปซื้อมาว่ามันดีๆโดนมันหลอกไปมันส่งของไม่ครบเนี่ยพราะมันจิตเด้อมันกัน พออารมณ์มันเข้ามาปุ๊บมันเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนคนมาขายสินค้านั่นแหละไม่มีพิดเลยเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมพอเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยคุณธรรมในใจคือสติสมาธิปัญญาและอุเบกขาเราหายไปมีแต่ตั้หาเข้าไปแทรกแซงมีแต่ความอยากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ตัวเองไม่เป็นสุขเลยให้รู้เฉยเฉยก็รู้ไม่เป็นเนี่ยดิ้นไปเลยเอาให้พูดยาวกี่โมงเนี่ยถึงกี่ชั่วโมงเนี่ย ฮะอา้าวจบแล้ว่ะ อ, อะไรยังไม่ทันเข้าเรื่องเลยเนี่ยโอเคอะไรที่ทั้งหมดเนี่ยให้เราเข้าใจให้ชัดๆว่าเราฝึกตรงนี้เพื่อเจโต้กคือฝึกรู้จนรู้มันเข้มแข็งอย่าใจายอย่าไปตามมันง่วงปล่อยให้มันง่วงไ ป, ง ว, งไปวิธีการฝึกคือ กลับมาอยู่กับฐานกายเนี่ยเพราะกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกตรงๆเลยไม่โกหกเราไม่โกหกเราเลยนะร้อนเท่าไหร่ก็ร้อนเท่านั้นแหละเจ็บเท่าไหร่ก็เจ็บเท่านั้นแหละเมื่อยเท่าไหร่ก็เมื่อยเท่านั้นแหละหนาวเท่าไหร่ก็หนาวเท่านั้นจิ๋วเท่าไหร่ก็จิวเท่านั้นไม่เคยโกหกเลยจริงหรือเ่าการจะฝึกตัวรู้สึกตัวที่ที่ให้มันขึ้นมาเป็นตัวรู้จริงๆแล้วมีกําลังต้องเสพอารมณ์ปัจจุบัน ถ้าเราฝึกเสพอารมณ์อดีตอานาคตเมื่อไหรนั่นตัวรู้เราจะบดกําลังลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้รู้จักสิ่งที่ให้กําลังเรียกว่ากูบาอาจารย์บอกว่าให้อาหารแมวอย่าให้อาหารหนูอาหารของแมวคืออารมณ์ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี่ไม่ต้องคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดมาแล้วเราแค่รู้มันเกิดแล้วใช้รู้มันหัดตัวรู้ตัวนี้ยให้ดีๆ หัอาตัวรู้เนี่ยมาเลี้ยงกับขรานกายก่อนกายมันจะบอกว่ามันตรงตรงให้กายมันนําและใจแค่รู้หน่อยอย่างนั่งอยู่เนี่ยมันรู้อะไรเยอะแยะไหมกายเนี่ยกายายาลูกปัสนาเนี่ยให้ฝึกรู้กายเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่าตั้งแต่เรานั่งอยู่ปั๊บเนี่ยมันมีทั้งอุ่นมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งเจ็บมีทั้งเป็นเหน็บ มีทั้งเจ็บหลังเจ็บเอวไปหมดเลยมีทั้งกับพริบตามีทั้งคืนน้ำลายมีทั้งหายใจมีทั้งเคลื่อนไหวมันมีอยู่แล้วหรือเพิ่งมีมีอยู่แล้วแต่ใจเรามุ่นไปซื้อสินค้าอยู่นู่นไปอยู่กับลาซาดานู่ น, ม, นมันมันมาแว๊บไปบ้านแล้วคิดบ้านคิดช่องไปนู่นอีกแล้วลืมหมดเลยต้องหัดกลับมาอยู่นี่นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์บอกให้รู้สึกตัว ให้รู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวกายนี้ให้ได้บ่อ ย, อยที่สุดเลยถ้าขยันรู้ตรงนี้ บ, บ่อยเข้าบ่อยเข้าภาวะของตัวรู้เนี่ยจะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีผู้เบกขาเขาเรียกตัวปัญญาเนี่ยรู้ซื่อแล้วกําลังของตัวรู้นี่จะทําหน้าที่ได้ขึ้นแข็งขึ้นแต่ถ้ารู้ละเสร็จนะมันจะถูกซื้อไปเรื่อยๆมันเลยวนอย่างนี้วนไม่เต็มสักพีบาปเต็มหมด ไอ้มันบุญเยอะๆหน่อยสิบุญนิ่งบอกแล้วอ่ะบุญคืออะไรจากะสลากมันไปอย่าไปกับมันจากะในใจอ่ะหัดทิ้งบ่อยๆเดินไปอ่ะวันนี้เดินกับหลวงตาเกติเมื่อวานเดินหลวงตาเกติ้วกันเออเขอาท่าอ่ะพอเดินเดินไปแล้หยุดหยุดเลยเออพอหยุดปุ๊บมันจะเห็นบางอย่างจิตมันจะนำเลยมันจะวิ่ง อ, อ้ามันจะไปแล้ว อ, อ้าวกลับมามันเกินจิตเพราะว่าเกินเลยกำลังเดินเดินอยู่หยุดปุ๊บ อาตมาจะนำมาฝึกเนะฝึกไปปุ๊บอ่ะฝึกพอคนสร้างจิตวิสพักหนึ่งจะหลับหลับเขาละครังแป้งเปลี่ยนท่าให้มันตื่นให้มันหัดออกมาตื่นอยู่กับกายให้ได้ก่อนเอยากฝึกออกฝึกออกให้มันมาสนใจให้กายให้ได้ก่อนแต่สนใจให้เป็นนะสนใจกายหมายว่าสนใจความทุกข์ของกายแต่ไม่ใช่ความทุกข์ของใจต้องเข้าใจให้ดีๆนะเช็ดหลักการที่พูดมาเนี้ยมันเป็นการหลักฝึก ตัวรู้จริงๆว่ามันพาเราไปพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ตัวคิดตัวคิดก็คิดให้มันถูกโยมคิดอย่างโยมอะให้คิดไปเกิดมาอีกี่ชาติก็ไม่มีทางผมคิดว่าเรื่องแต่ที่พระเจ้าสอนให้คิดใช่ไหมล่ะเส้นทางที่เราจะคิดต้องคิดตามที่เขาบอกให้สิคิดเรื่องอสุภะคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังคิดเรื่องธาตุสี่คิดเรื่องขันห้าคิดเรื่องออยยะศัพท์งงแล้วแค่นี้ก็ ไม่รู้เรื่องแล้วไอ้กฝึกรู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยมันง่ายเพราะว่าแค่รู้มัน่เฉยตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราต้องการให้เป็นนี่คือภาวะหนึ่งที่อยากบอกว่าดูให้มันถูกแต่เวลามันเข้าใจนะมันอาจจะที่แรกมันอาจจะแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆไปก่อนแต่พอเข้าใจนะมันอจะอธิบายแหลกเลยทีนี้ ทีนี้โอ้โหวิปัสสนูเข้าธรรมะเข้านี่อธิบายแหลกลาเลยทีนี้รู้เรื่องโน้นรู้เรื่องนี้รู้เอ้าบ้าไปอีกบ้าความรู้ไปอีกลงไปอีกพอบางทีมันฝึกรู้บ่อยเข้าบ่เข้าปุ๊บเวลามันจะเข้าใจปุ๊บมันจะมันจะใช้ปัญญาวิมุตเข้ามาแทรกก็มีแต่บางคนคิดไปมากเข้ามากเข้ามากเข้าพอสุดท้ายไปรู้แบบไม่คิดก็มีตอนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นลงกันเนี่ยไม่รู้ใครเข้าเส้นชัยแต่เส้นทางมันวิ่งของคนละสองอย่าง แต่เวลาบางทีสอนนันไปสอนกันมาสอนนันไปสอนมาปุ๊สอนนันตรงความเป็นจริงมากเข้ามากเข้าพอลายตอนเข้าใจปุ๊บเงียบใจยอมรับวางเลยก็มีไอ้พวกเราทีแบบฝึกรู้ซื่อๆบื้อๆไปเรื่อยเนี่ยฝึกรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้แต่พยายามรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่เข้าพอถึงจุดหนึ่งมันแตกอ่ะธรรมะมันแตก่ะพอเข้าใจปุ๊บโอ้โเข้าใจหมดเลยว่าธาตุสี่ขันธ์อริยสัจนะอะไรต่างๆพอเข้าใจหมดปุ๊บ จิตวางก็มีแต่บางคนไม่แันวางนะไปสาคัญมั่นหมายเอาความรู้นั้นมาอีกก็เป็นวิปัสสนูไปก็มีนั้นทุกอย่างเนี่ยเราฝึกเจโตวิมุติเขาเรียกว่าฝึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยภาวะตัวรู้สึกตัวที่เรามีอยู่แล้วพัฒนาวิธีพัฒนาคือบอกแล้วทำไงให้อาหารแมวทำยังไงให้อาหารแมวอยู่กับขณะ น, นี้ให้รู้ทีลกขณะ ทีละขณะกินเนี่ยให้ไป่รู้ทีละขณะเห็นการทํางานของตาหูจมูกลิน้นกายอยู่เรื่อยๆที่มันทําอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวมีกลิ่นไหมมีรสไหมแล้วมีคิดไหมตอนกินจะมีคิดไหมมีกลิ่นมีรสมีตาสังเกตกินข้าวครั้งหนึ่งี่ยคุณใช้กี่อย่างหนึ่งใช้ตาแล้วต้องเลือกตัาอะไรเห็นไหม อ้าใช้มือนี่คือใช้กายมือนี่คือกายมือเนี่ยคือกายแล้วสองใช่ตาเลือกก่อนแล้วก็ใช้มือในการตักนี่คือกายนแล้วใช้อะไรอีกใช้จมูกไหมเออจมูกเออเนี่ยกินนี้กินนี้คือจมูกทันทีกำลังทํางานอยู่แล้วตอนกินใช่อะไรใช้ดินไหมรู้รสไหมแล้วได้ยินเสียงเคี้ยวใช่อะไรใช้ยินเสียงเคี้ยวใช่อะไรฟันมันได้ยินเสียงเหรอ หูเนี่ยครบหรือยังครบหรือยังตาก็ใช้กายก็ใช้จมูกก็ใช้ลิ้นก็ใช้แล้วใช้ใจไหมที่รับรู้อ่ะใจก็รับรู้เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมและอีกอันหนึ่งมีเจ้าพ่อครัวใหญ่ปรุงอยู่ด้วยไหมอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ไม่เอาอันนี้จะเอาอันนี้เอาเยอะๆอเห็นไหมไอ้พ่อครัวใหญ่ก็ปรุงอยู่ด้วยเน่ยครบไหมนั่นนะภาวนาในแม่จังหวะนั้นน่ะ แล้วเราภาวนาไหมไม่จะไปได้อย่างไรเนี่ยเพราะเพราะขนาดนั้นคือชีวิตปัจจุบันที่กำลังมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏ อ, อยู่ทั้งหมดเลยการภาวนามันไม่ใช่เรื่องจะต้องมันเออพอราะขรคังแงงแล้วก็เดินเคราะคังแงงเลิกก็เลิกเลยโอ้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่อีกตอนมันโกรธทําไมไมีขาคขรคังแงงแล้วค่อยโกรธเฮ้ยเฮ้ยเี๋ยวมันโกรธแล้ถ้าขรคังก่อดแล้วาคไปโกรธมีไหม ไม่มีเอาเลยใตตอนภาวนาทําไมมันมีเวลาเนี่ยแล้วจะไปช่วยกันได้ยังไงต้องฝึกขัดให้ดีๆชีวิตเราอ่ะมันแค่ชีวิตเดียวไม่รู้ว่าจะเกิดมานี้่ะแล้วเรามีโ อ, อกาสชัดเจนที่สุดเลยเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วพวศาสนาแล้วยัมีคําสอนอันนี้ให้อยู่อยู่อย่าไปนอนใจทรัพสมบัติทั้งหมดน่ะมันเป็นของวิบตัติไม่ใช่สมบัติหรอกมันเป็นคือวิบัติ กายก็วิบัติไปทุกวนันทุกวนันแล้วอย่าไปรักกลัวกลัวตายนะมันต้อตายอยู่แล้วเอามันมาทําประโยชน์สิเอามันทําประโยชน์ปลกมันขึ้นมาเนี่ยมีความกล้าหาญหน่อยยังไงก็ต้องเผชิญมันอยู่แล้วไม่เจ็บวันนี้วันหน้าก็เจ็บไม่ป่วยวันนี้วันหน้าก็ป่วยไม่แก่วันนี้วันหน้าก็แก่ไม่ถ้าเราไม่ทิ้งวันนี้วันหน้าเราก็ต้องทิ้ง ก็ทิ้งมาซะวันนี้เลยสิการปกติให้อาหารแมวอย่าไปให้อาหารหนูรู้จักไหมอาหารหนูคืออดีตอนาคตอย่าไปอยู่กับมันปัดทิ้งเลยกลับมาปัจจุบันนี่ตัดทิ้งกลับมาปัจจุบันนี้เดินแต่ละก้าวเนี่ยเดินไปปุ๊บเนี่ยเดินไปกินข้าวเนี่ยมีครบไหมต้องใช้ตาไหมเอา้าเออไม่ใช่ตากรตกลุ่มตัวต้องใช้ตาใช่ไหมเนี่ยต้องใช้ตาต้องใช้กายไหม อ้ากายยืนขึ้นเดินเราต้องใช้หูไหมมันจะยินเสียบ่ะเวลาเดินเนี่ยต้องใช้จมูกไหมจมูกไปใส่เลยตอนนี้ไม่ต้องใช้จมูกอแล้วจมูกก็ไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้จังใช้ปากไหมตอนเดิน อ, ะอ่ะเไม่ต้องใช้แต่ทําไมใช้กัน <c oughs> ปากแค่เดินไปกินข้าวปากก็ต้องใช้ต้องพูดไหม ไม่ต้องพูดแต่ทําไมไปพูดกันป่ากันไม่ต้องพูดแล้วหน่อยเพรานะอะมันเจ้าครูเจ้าพ่อกลัวใจมันปรุงอยู่ไงอดไม่ได้อย่างแล้วมาพูดอีกเนี่ยแล้วต้องใช้ใจไหมใจใช้ในการรับรู้ด้วยฉั้นเวลาเราเดินแต่ละครั้งปุ๊บหนึ่งใช้ตาสองใช้หูสามใช้กายสี่ใช้ใจในการรับรู้ปฏิบัติทําหรือ ย, ยังก็นั่นแหละ คือรู้สึกกับการเดินครั้งหนึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละไม่อน่ยอย่าไปสงสัยมันมากบางคนเอ๊ะทาแล้วจะเข้าใจอะไรก็ทําได้นิดเดียวประมาณว่าอามาเคยไปถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่อยู่บึงเลยอาจารย์ทําไปแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงทำไปแล้วดีขึ้นยังไงทําไปแล้วมันจะเป็นยังไงทำไปแล้วจะหลุดพ้นแบบไหนท่า น, ท, านท่านตอบว่างไงคุณคุณยังไม่ทันกินข้าวเลยคุณถามหาที่แล้ว โอ้ยเจ็บเลยนะโอ้ยหมันก็เหตุยังไม่ทันสร้างเลยไปถามหาผลแล้วเหตุยังไม่ทันทําเลยอยากได้นู่นอยากนี่ผลสุดท้ายอยากได้ขอนน่นขอนี่ขอนั่นข อ, น ข, อขอได้แล้วป่านี้ทุกคนไม่มีคนจนหรอกขอไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้ขออะไรไม่ทําเอาเองบ้างนะพระเจ้าท่านสอนให้ทําเองไม่ได้ขอนะเอาล่ะคอยพวกเราตั้งใจเวลามีอีกไม่มากเนี่ย พยายามทําให้เต็มที่ในการฝึกรู้ทีละขณะรับมาเล่นเล่นรู้กับมันเล่นเล่นอยู่กับมันเล่นทีแะกเอาแค่รู้พอพอแล้วพวกเราไม่ต้องไปอาคิดมากไม่ต้องไปรู้อะไรมากเอาแค่ขัดขยันรู้ได้บ่อยๆเดินเนี่ยถามตัวเองรู้ไหมเวลารู้รู้อย่างไงอาการของกายมันเดินมันร้อนมันเย็นมันปวดมันเมื่อยนี่แหละรู้แล้วเอาแค่รู้นะอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าพุ่นวายกับมันอหมดเวลา โมทนาสาสักุ